13. ปุริสการานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงผู้กระทำหนึ่งร้อ ย, ยประวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 1 25ศัสกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้สร้างผู้สั่งให้สร้างซึ่งบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำนั้นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดทุกไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้บรรดาล ผู้สั่งให้บรรดาลซึ่งบุคคลทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น126่งอย่สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทําบุคคลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1 2ึ่งร้สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้วเพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 สกาวาทีท่านยังรู้มหาปตพีได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํามหาปตพีได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น129ศงก้วาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหม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 ปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้ภูเขาสิเนรุกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทำภูเขาสิเนรุกได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น131 ส, สกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทา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 ผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำหญ้าไม้และต้นไม้เจนะ้าป่าได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น13ึ 135. ส่สามสากวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกกวาทีกรรมดีและกรรมชั่วกับบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วเป็นกลุลอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น136ระปรวาทีท่านยังรู้วิบาก ของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลพูดเสเวยหมายถึงได้รับวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น137สกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้น จึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมประวาทีใช่ั ก, กวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น38ึั ก, กรกวาที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 หนึ่อยสกวาทีท่นานยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรม <neur irregular, S 1> ดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีท่นานยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หนึ140สักวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ยังรู้ลมยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น142สีกวาทีท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้น จึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วกับบุคคลผู้สเสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น143่ร14้ปรวาที ท่านยังรู้ทิพยสุขได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ cai. ประวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควกรกล่าวอย่างนั้น144่งสกวาทีท่านยังรู้ทิพยสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมประวาทีใช่ cai. สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทิพยสุขนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึังรสกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลผู้เสวยทิพยสุขนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกไม่มี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 ทา่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1น8สกวาทีทา่านยังรู้ทิพยสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีทา่านยังรู้มหาปัตตพี ยังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสิเนรุยังรู้น้ำยังรู้ไฟยังรู้ลมยังรู้รหญ้คคาไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น149 ักาวาทีท่านยังรู้ทิพยสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีทิพยสุขกับบุคคลผู้เสวยทิพยสุขเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น150ประวาทีท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้ใช่ไหม ศักวาทีใช่ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น151่งร้าสิกวาทีท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยสุขนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น152สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์นั้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฏะไม่มี อนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแกบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองท่านดังกล่าวมานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น153่15สิบกาวาทีท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของบุคคลได้ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล <Individual finished. S 2> ่าวอย่างนั้น154่งสิบกวาทีท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมประว า, วาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น155่สกวาทีท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยัง ร, ร, donné, ง ร, รู้มหาปฐพียังรู้มหาสมุทร ยังรู้ภูเขาสิเนรุยังรู้น้ำํำยังรู้ไฟยังรู้ลมยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึสกวาที ท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสุขของมนุษย์กับบุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น157ประวาทีท่านยังรู้ทุก ที่มีในอบายได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ใชปรวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้สเสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น158่15สกวาทีท่านยังรู้ทุก์ที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้น จึงยังรู้ผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้สเสวยทุกขนั้นได้ pets, ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น159่ง15สก้กวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุกขนั้นได้ ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกไม่มีการตัดขาดวัตจกรก็ไม่มีอนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแกบุคคลผู้สเสวยซึ่งบุคคลผู้สเสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหกสิบสกวาที ท่านยังรู้ทุก์ที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมประวัทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลได้ใช่ไหมประวัทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น161่ง16กสกวาที ท่านยังรู้ทุกที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุก์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ่งหสองสกวาที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 เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยห ญ, ญา้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1 6ึ่งกสกวาทีท่านยังรู้ทุก์ที่มีในอบายไดเพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ทุกที่มีในอบายกับบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น164ประวาทีท่านยังรู้ทุก์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมส ก, กวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีท่านยังรู้ทุกที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสเวยทุกข์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสเวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุกข์นั้นได้ใช่ไหมปรมวาทีมีควรกล่าวอย่างนั้น หนึ่กสสกวาทีท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุกนั้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดทุกไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแกบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่ามานั้นใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห6ึ่กสกวาทีท่านยังรู้ทุก์ที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้เสวยทุก์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้เสวยบุคคลได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หนึกสกวาทีท่านยังรู้ทุกข์ที่ม <debug du anya> ีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ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 ไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยห ญ, ญา้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ่งกกาวาทีท่านยังรู้ทุกที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สเสวยทุกที่มีในนรกได้ใช่ไหมปราวาที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 ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น171่17สกวาทีบุคคลคนเดียวกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสุขและทุก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 ปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น173สกวาทีบุคคลคนละคนกันทั้งธรรมและเสเวยใช่ไหมป ร, าารวาทีใช่สกวาทีสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการใช่ไหมปรว า, าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น174สกวาที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 บุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสุขและทุกข์มีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1น6สิบกสกวาทีท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้น จึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็มิใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็มิใช่ทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึสกวาที บุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็มิใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็มิใช่ทั้งธรรมและเสเวยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสุขและทุก์เกิดขึ้นเองจะว่ามีตนเองเป็นตัวการก็มิใช่จะว่ามีผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น178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 จะว่ามีผู้อื่นเป็นตัวการก็มีใช่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น180ประวาทีกรรมมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีบุคคลผู้ทำกรรมมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น181สสกวาที กรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ทำกรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น182่ง18สกวาทีบุคคลผู้ทำกรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที การทำที่สุดทุกไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแกบุคคลผู้ทำซึ่งบุคคลผู้ทำกรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห8 3่สิบสากวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1 8ึ่งรสกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทํากรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทํานิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น185สกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทากรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมหาปัตปีมีอยู่มหาสมุทรภูเขาสิเนรุน้ำไฟลมยญ้าไม้ และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทาหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึสกวาทีกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทากรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที กรรมกับบุคคลผู้ทากรรมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น187่รปรวาทีวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เสวยวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น188 สกาวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากนั้นมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น189่ง18สิบเกวาที บุคคลผู้สเสวยซึ่งบุคคลผู้สเสวยวิบากนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีการทำที่สุดทุกไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุ ป, ปาทาปรินิพานก็ไม่มีแกบุคคลผู้สเสวยซึ่งบุคคลผู้สเสวยวิบากทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 190. ่งกสกาวาทีวิบากมีอยู่ เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยนิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น191่กสกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบาก จึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมหาปตพีมีอยู่มหาถมุดภูเขาสินเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้สเสวยญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 192่ก19สกวาทีวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวย ว, วิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีวิบากเป็นอย่างหนึ่งบุคคลผู้เสวย ว, วิบากก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นละย่อ กัลยาณวั์ที่หนึ่งจบ 14. อภินยานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงอภินยา 193. ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขาปรมัตใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้ มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนแสดงวฤทษ์ได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติหนรสปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัติ ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนฟังเสียงด้วยทิพยโสโตรธาดได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนะระลึกถึงชาติบางก่อนได้เห็นรูปด้วยทิพยจักษุได้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้มีอยู่มิเชฟหรือสกวาทีใช่ ปรวาทีหากบุคคลบางคนทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัต์ 195. สิกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่จึงยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกติธรรมะมัดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้แสดงฤทธิได้เท่านั้นจึงจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้แสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 196. สกสกวาที บุคคลผู้ฟังเสียงด้วยทิพยโสดาธาตุได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนระลึกถึงชาติปางก่อนได้เห็นรูปด้วยทิพยจักษุดได้ทําให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสะวะได้จึงจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ทําให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสะวะไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอภิญญานุโยคะจบ